ที่มีความหมายอย่างยิ่งนะต่อจะเรียกว่าไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของชาวพุทธนะแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโลกทีเดียวเพราะว่าเมื่อ 2,600 กับอีก2ปีนะที่ประเทศอินเดียป่าอิสิปตนาเมือกัทยาวันนั่นเป็นสถานที่ที่หนทางอย่่งอิสรภาพ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 แต่ว่าท่านไม่เผยไม่แสดงหนทางแห่งอิสระภาพนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะไม่เพียงแต่ทรงค้นพบหนทางแห่งอิสระภาพแต่ว่ายังนำมาประกาศนำมาเผยนำมาแสดงด้วยการแสดงนะ ปฐมเทศนาธรรมจกกักรกวัตตนสูตรอย่างที่เราได้ได้สาธยายเมื่อสักครู่นะขอให้รู้ว่านั่นแหละนะคือแผนที่สู่การดับทุกข์เป็นแผนที่ที่จะนำมนุษย์ไปสู่อิสรภาพนะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือโรดแมปนะ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 อารัณเซเองเมื่อแาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อจะตายเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเขาก็พร่ำเพอเวทนาพร่ำครวญเหมือนกับว่าชีวิตมันมีแค่นี้เองหรืออันนี้เป็นาชะตากรรมของมนุษย์ไม่ว่าร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่ไหน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 ที่โชคถ้าโชคดีก็รอดส่วนใหญ่ก็โชคดีคือรอดแต่ว่าก็มีจานวนหนึ่งที่ไม่รอดนะหรือถึงรอดมานะไม่ว่าจะมีพ่อแม่ร่ำรวยแค่ไหนก็ยังต้องเจอความทุกข์อย่างที่ว่ามาจึงต้องถูกครอบงาด้วยความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้นใจ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 ทางแรกทางสุดตรงทางแรกก็เรียกว่าการเพลิดเพลินในการประสุกนะการผัวพันธุ์อยู่ในการปรสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยได้ประสบหรือได้เคยผ่านมาแล้วนะสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถนะมีทุกอย่างเท่าที่จะสามารถปลนเปลื้กิเลสได้ รูปลถกินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็ถูกนำมานำเสนอเสพแล้วเสพอีกแต่ว่าก็ไม่พบความสุขที่แท้เลยอันนี้เราอการสุขผริการนิโยคอีกทางหนึ่งนะซึ่งเป็นทางสุดตรง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 ส่วนทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะมันเป็นการทรมานตนอดอาหารการลมหายใจนะยืนกลางแดดหรือว่านอนบนตอปูหรือว่ากินอุจจะวัวอุจละควายอันนี้ก็คือสิ่งที่พูะเจ้าได้ทดลองมา หมดแล้วนะแล้วก็พบ ว, ว่ามันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์นะแต่พระองค์ได้พบ ว, ว่าทางสายกลางนี่แหละนะจะเป็นหนทางสู่อิสรภาพได้สู่การพ้นทุกข์สู่การพ้นจากวัฏสงสารในสมัยนี้เนี่ยคําว่าทางสายกลางเราก็คุ้น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 ทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดจักรสุขขึ้นมานะบางคนก็สึกว่าแปดองค์แปดประการนี้จํายากถ้าสุดย่อๆก็เหลือแค่ 3, นะสามศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าจะลงมือนะรักษาศีลได้เนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อที่ถูกก่อนต้องมีความเห็นที่ถูกก่อน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 เสพมาปนเปิดตนหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัตินะเพื่อจะได้มีมีของอร่อยอร่อยได้ฟังเพลงได้เสพสุขได้สวมกระเป๋าได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เ네นมได้มีรถยนต์คันละหลายสิบล้านไอ้พวกนี้เนะี่ยจะเป็นผลทางแห่งความสุขได้ในยุคบริโภคนิยมเนี่ย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 แม้จะรวยแต่ถ้าเห็นคนอื่นรวยกว่านี้ก็ทุกข์นะคนสมัยนี้ไม่ได้ปรารถนาแค่รวยแต่ว่าอยากจะรวยกว่าด้วยถ้าตัวเองรวยแต่รวยน้อยกว่าคนอื่นนี่ก็ทุกข์นะก็ต้องแข่งขันเพื่อจะรวยให้มากกว่าคนอื่นหรืออย่างน้อยก็เท่าเท่ากันไอ้ความคิดว่ารวยเนี่ยจะทำให้ให้มีความสุขนะ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 บอกกับหลวงปู่ว่าเนี่ยเพิ่งไปเช่าพระอุปคุดมาราคาแพงทีเดียวหลวงปู่ก็ถามว่าไปเช่ามาทมําไมก็ตอบว่าอยากรวยครับหลวงปู่ก็เลยเปรยขึ้นมาบาวๆว่ารวยกับซวยนี่มันใกล้กันนะเขางงว่ามันหมายความว่ายัง ไ, ไงครับหลวงปู่ทีแรกท่านก็พูดว่ามันเขียนคล้ายๆกัน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 แต่เมื่อเคยมีนะเคยมีโจร น, นี่มันเคยปล้นบ้านประหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งเพราว่าเจอ เ, เป็นเงินสดนี่หลายสิบล้านเลยคนมาได้แค่เจ็ดแปดล้านนะแต่สุดท้ายก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าโจนถูกจับได้มันก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ยบ้านนั้นนี่มีเงินสดเกือบยี่สิบล้านนะี่ยทไมเอาเงินสดเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่า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 มันเท็จสุดก็เลยไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกได้ให้ความมั่งมีแบบนี้นะรวต้องการปลนปรอตนด้วยรูปลดกิ่นเสียงที่น่าพอใจทางหลุดพ้นนะมันเริ่มต้นโดยการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะว่าไอ้ทางสองทางที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนก็ดีหรือว่าการอา แสงหาความมั่งมีปนเปื้อนตนด้วยวัตถุสิ่งเสพก็ดีมันไม่มีทางที่จะนำพาให้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้สมาธิยังมีความหมายว่าคือความเห็นชอบว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะว่าทําชั่วแล้วจะได้ดีนะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย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 อันที่หก็คือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นเพราะกรรมแนอดีตเขาเรียกว่าปุเพกเพระตะเหตุว่าความเชื่อแบบนี้เป็นลทัทธิชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปุเพกระตเหตุว่าก็คือเป็นลทัทธินอกพุทธศาสนาอีกลทัทธินึงก็บอกว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นเพราะการดลบันดาลของพระเจ้าของเทวดานะสมัยนี้คงจะรวมถึงพระลาหูด้วยนะก็ ก็เลยเกิดประเพณีนะเกิดท่านนิยมไปเส้นไหว้ไปบวงสรวงเทวดามากมายชื่อแปลกแปลกอันนี้ก็เป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนานะถึงแม้ว่าการบวงสรวงนั้นจะทำในวัดก็ให้รูวนันะไม่ใช่พุทธศาสนามีชื่อว่าอิส vara nimitta hetuwa ก็คือความเชื่อว่าสุขทุกข์เกิดจากการดลบันดาลของ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 ก็ต้องมีการดำริชอบคือการดำริที่นะไม่ถูกครอบงาด้วยความอยากคือตัณหานะความพยาบาทหรือความมุ่งร้ายนะเพราะถ้าคิดแบบนี้หรือถูกครอบงาด้วยกิเลสแบบนี้เนี่ยมันก็ทำความดีได้ยากนะมันทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วละ่ะนะแค่คิดด้วยตัณหานี่มันก็ทุกข์ละ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 คนเรานี่ถ้ามันมีความคิดมุ่งร้ายนะมันไม่อยากจะทำความดีนะมันไม่สนใจที่จะรักษาศีลนะหรือว่าถ้ามีตันหามากๆนี่ก็ใ้การที่จะรักษาศีลข้อที่สองคือไม่ขโมยอธินนาทานนี่ก็ยากนะถ้าจะมีความโลกความอยากความมุ่งถ้ามีความโรคถ้าไม่ถ้ามีความพยาบาทความมุ่งร้ายเนี่ยรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็ยากนะ คือปนานาติบาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่จะเจริญในองค์มรรคได้เนี่ยคือเริ่มต้นที่จะทําความดีนะมันต้องมีความเชื่อมีความเห็นที่ถูกแล้วก็มีความดําเร็จที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาสังกปราเนี่ยจึงเป็นสองข้อแรกนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่สัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะก็คือนะสีลห้านั่นแหละนะ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 ก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะนะเป็นจุดเริ่มต้นคราวนี้พอกายวาิจารได้รับการอบรมนะเพราะาด้วยสัมมาวิจาด้วยสัมมากัมมันตา์าด้วยสัมมาชีวะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาฝึกใจแล้วนะเริ่มโดยสัมมาวิยามะสัมมาวิยามะคือความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่เป็นองใสยใจนะใจสู้ใจใจที่ไม่ยอมท้อถอย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 ละเอียดประณีตมากขึ้นจนถึงขั้นนะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยนะเรียกว่ารู้ว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าลาศักกายทิฏฐิได้ถ้ายังมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นความหลงว่ากายใจยนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็ยังเรียกว่าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่ที่ที่ถูกต้องบริบูรณ์นะ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 ก็คือยังมีความเห็นที่เจือไปด้วยอวิชชาแต่ว่าเราจะเห็นเราจะรักษาไอ้ที่ถี่ได้ก็เพราะการเจริญสตินะการเจริญสัมมาส ม, มาธิแล้วเมื่อเราพูดง่ายคือภาวนานั่นเองนะภาวนาหรือวิปัสสนาและถ้าเราไม่เพียงแต่ทาความดีด้วยการมีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะแต่เราพยายามฝึกใจใหเห็นความจริง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 ถ้าไม่เจริญสัมมาไม่เจริญสติก็จะไม่เข้าใจว่าอการเป็นทุกข์กับการเห็นทุกข์นี่มันต่างกันอย่างไรนะพูะเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยนะเราก็รู้ใช่ไหมว่าอริยสัจสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่ที่จริงเนี่ยในโอวาทปาติโมะในธรรมจักกัปวัตนสูตรเนี่ยซึ่งเราสาธยามสักครู่เนี่ยท่านยังพูดนะถึงอีกถึง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 สิ่งที่ต้องละคือสมุดไทยสมุดไทยก็คือตันหาอวิชชานั่นคือสิ่งที่ต้องละนะส่วนทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ให้ทั่วถึงนะปริญญาหรือปริญญเยยะยันติเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้ทั่วถึงถ้นะเพียงแค่เราเข้าใจนะเข้าใจด้วยการไข่ควรวนตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรา